บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุาพันตั้งใจนอบน้อม น, นมัสการพระภูมิพระภาค พระหันจะสัมมาสมุทติเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์ร่อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณัตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญา ในธรรมจะแสดงกรรมฐานที่พเพื่อสารุบุตรเถระได้สำคภิกสุทั้งหลาย ในอ น, นังคันสูตรนำสติปัฏฐานท่านสาทิบุเถระได้ลกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายมีความว่า มีบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ขี่จำพวกจำพวกที่หนึ่งเป็นภูมีกิเลสเพียงดังเนินก็ไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนิน จำพวกที่สองเป็นภูมิกิเลสเพียงดังเนินรู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินจำพวกที่สามไม่มีกิเลสเพียงดังเนินไม่รู้ว่า ตนไม่มีกิเลสเพียงดังนินจำพวกที่สี่ไม่มีกิเลสเพียงดังนินรู้ว่าตนไม่มีกิเลสเพียงดังนันท่นาาทมัสสาริบุตรได้กล่าวว่า จำพวกที่หนึ่งที่สองนั่นจำพวกที่หนึ่งคือผูที่มีกิเลสเพียงดังเนินไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินนั่นเลว ไม่ดีส่วนจำพวกที่สองคือผูที่มีกิเลสเพียนดังเนินรู้ว่าตนมีกิเลสเพียนดังเนินนั่นประเสรดดีอีกฝ่ายหนึ่งจำพวกที่สาม ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินไม่รู้ว่าตนไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเลวไม่ดีส่วนจาพวกที่สี่ไม่มีกิเลสเพียดังเนินรู้ว่าไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเปรดีดังนี้และท่านก็ ได้อธิบายแก่พิกษุทั้งหลายต่อไปว่าพ่อว่ากิเลสเพียนดังเนินนั่นคืออะไรท่านก็อธิบายว่าได้แก่อิจฉาวัจจา์ ได้แก่กิจชาวจรอันแปลว่าความหยางลงสู่ความปรารถนาความท่องเที่ยวไปแห่งความปรารถนา พิจารงาดูคำนี้ก็ตรงกับคำที่ใช้ในอภิธรรมถึงจิตที่เป็นกามาพจรอย่างลงรือท่องเท่ยวไปในกามเป็นต้นแต่ใน ที่นี้ท่านภาษาริบุตรท่านใช้ว่าอิจฉาวจรแทนการ ม, มาพจรก็คือท่องเที่ยวไปในความปรารถนาอย่างลงสู่ความปรารถนาจึงหมายถึงความปรารถนาต่างๆ ที่มังเกิดขึ้นในจิตใจอันเป็นฝ่ายอากุศลโดยที่ท่านภาษาริบุตรได้แสดงชี้เอาไว้ว่าฝ่ายที่เป็นอากุศลเพราะความปรารถนาที่มังเกิดขึ้นในจิตใจนั้น ก็มีได้ทั้งสองฝ่ายกุศลก็มีฝ่ายอากุศลก็มีความปรารถนาที่มันเกิดขึ้นในจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสเพียงดังเนินนี้จึงหมายจเพาะที่เป็นอกุศล คือเป็นฝ่ายที่ไม่ดีเป็นฝ่ายที่ชั่วและต่อจากนี้ท่นานศรสดาบุตรก็ได้แสดงยกตัวอย่างต่างๆเป็นอันมากสำหรับอบรมสั่งสอนพิสูุทั้งหลาย กล่าวจำพาะที่เป็นข้ออธิบายในบุคคลสี่จำพวกนั้นก่อนซึ่งมีใจความว่าจำพวกที่หนึ่งเป็นภูมิกิเลตเพียงดังนิน ไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินนั่นก็คือผู้ที่มีความปรารถนาเป็นอกุศลต่างๆจิต ท, ท่องเที่ยวไป ในความปรารถนาที่เป็นอกุศลต่างๆคือคิดถึงเรื่องนั้นบ้างถึงนี้เรื่องถึงเรื่องนี้บ้างอันเป็นายอกุศลคือไม่ถูกไม่ชอบ ไม่เหมาะไม่ควรประกอบไปด้วยความโลภอยากได้บ้างความริษยากันบ้างความคิดเปรียบเทียบต่างๆบ้างความอยากจะได้รับความเคารพนับถือต่างๆเฉพาะตน แต่ริสยาในผู้อื่นที่ได้รับความโคารนับถือต่างๆบ้างเหล่านี้เป็นต้นจิตที่มีความปรารถนาดังนี้บังเกิดขึ้นตั้งอยู่ย่อมเป็นจิตที่เปรียบเหมือนอย่าง พื้นแผ่นดินที่มีเนินขึ้นมาจึงทำให้พื้นแผ่นดินนั้นไม่ราบเรียบสูงสู ง, สงต่ำต่ำพื้นแผ่นดินที่เป็นธรรมดาก็เรียบแต่ก็มีเนิน มันเกิดขึ้นมาที่โน่นที่นี่ทำให้พื้นแผ่นดินไม่ราบเรียบจิต ท, ที่มีความปรารถนาอันเป็นกุศลอันเป็นอกุศลมังเกิดขึ้นดังนี้ก็เป็นจิต ท, ที่ไม่ราบเรียบไม่สม่าเสมอไม่สงบ แต่เป็นจิตที่ขึ้นลงสูงสูงดำๆหรือถ้าจะเทียบกับพื้นน้ำในทะเลพื้นน้ำในทะเลที่ไม่มีคลื่นลมจัดก็นับว่าเป็นพื้นน้ำที่เรียบพอสมควรแต่ที่มี ลมจัดก็เป็นคลื่นขึ้นมาก็ดูเป็นกระปุ่มกระปําไม่รับเรียกและคลื่นที่บังเกิดขึ้นมานั้นก็เป็นอันตรายแก่การที่จะเดินเรือเล่นเรือไปในท้องทะเลอาจถึงไม่อับปางได้ จิตก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความปรารถนาอันเป็นอนกุศลครอบคร้มอยู่ก็ยอมจกเป็นจิตที่เป็นเนินขึ้นมาทำให้จิตไม่รับเรียบไม่สม่ำเสมอไม่สงบและทั้งมิได รู้ว่าจิตของตอนมีเนินอันเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นกิเลสดังที่กล่าวมานั่นเพราะฉะนั้นจึงเป็นจิตที่ไม่สงบเป็นจิตที่ไม่บริสุทธ เพราะความที่ไม่รู้นั่นเองยังทำให้ไม่เกิดชั้นค่าความพอใจไม่เกิดความพยายามเริ่มความเพียรที่จะชำระจิตใจของตน จึงเป็นภูที่มีราคะโทสะโมหะครอบงำมีจิตเศร้าหมองมีจิตเป็นเนินหากจะทำกาละลงไปในขณะนั้นก็เป็นภูที่มีจิตเศร้าหมองทำกาละไป อันมีทุกขติเป็นที่หวังได้เพราะฉะนั้นบุคคลจำพวกนี้คือเป็นผู้ที่มีจิตมีเนินมีกิเลสเพ็งดังเนินและก็ไม่รู้ตัวว่าตนมีกิเลสเพ็งดังเนิน จึงเป็นจำพวกที่เลวไม่ดีเปรียบเหมือนอย่างว่าบุคคลที่ไปซื้อถาดสำริจมาจากร้านตลาดอันเป็นถาดที่เป็นสนิม ไม่สะอาดและก็ไม่ได้ตรวจตราให้รู้ว่าเป็นถาดที่เป็นสนิมไม่สะอาดปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลรักษาก็จะยิ่งไม่สะอาดยิ่งเป็นสนิมมากขึ้นส่วนจำพวกที่สอง ซึ่งเป็นภูที่มีกิเลสเพียนดังเนินแต่มีความรู้ตัวว่าตนมีกิเลสเพลินดังเนินเพราะความรู้ตัวนี้เองย่อมจะทำให้เกิดชั้นพระความพอใจเกิดความพยายาม เริ่มความเพียรที่จะปฏิบัติชำระจิตของตนให้บริรสรุทธิ์สะอาดทำให้ไม่มีกิเลสเป็นดังนนต่อไปเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นภูที่จะปฏิบัติ เพื่อรับราคะโทสะโมหะํำจิตให้ไม่มีกิเลสเพ่นดังเนินให้บริสุทธิ์หากจะทำกาละไปก็เป็นภูที่มีจิตบริสุทธิ์ไม่เศ้าหมองทำกาละไป ยอมมุยสุขติเป็นที่หวังได้ฉะนับุคคลจำพวกนี้แม้จะยังมีกิเลสเพียงดังเนินอยู่ก็ชื่อว่าเป็นภูเบดดีจำพวกที่สามคือเป็นผูไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน และก็ไม่รู้ว่าตนไม่มีกิเลสเพียงดังนินบุคคลจำพวกนี้ก็หมายถึงคนที่มีจิตใจยังไม่ถูกอารณ์ทั้งหลายมากระทบมาเป็นเหตุ ให้บังเกิดจิตช้าคือความอยากหรือโลภะราภะโทสะโมหะต่างๆขึ้นจิตใจจึงยังเป็นปกติแต่ก็ไม่ได้กำหนดให้รู้จิตใจเช่นนี้เมื่อเป็นดังนี้ เมื่อไปใส่ใจถึงสุภนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายว่างดงามเป็นต้นก็ย่อมจะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นจิตที่ปกตินั้น ก็จะกลายเป็นจิตที่ไม่ปกติเป็นจิตที่มีกิเลสกองราคะโทสะโมหะครอบงำมีอิจฉาคือความปรารถนาต่างๆครอบงำก็จะกลายเป็นจิตที่มีกิเลสเพียงดำเนินไปเพียงดงเนินไปจึงเ น, น, เนเป็นจิตที่เศร้าหมองก็จะนั่น แม่บุคคลจําพวกนี้ก็ชื่อว่าเลวไม่ดีเช่นเดียวกันส่วนบุคคลจําพวกที่สี่คือที่ไม่มีกิเลสเพียรดังเนินและก็รู้ตัวว่ามันมีกิเลสเพียงดังเนินก็หมายถึงบุคคลที่ มีจิตใจยังไม่ถูกอารมณ์มากระทบนำให้บังเกิดกิเลสต่างๆขึ้นมาและไม่ได้เกิดอิจฉาคือความปรารถนาต่างๆขึ้นมาเป็นจิตที่สงบเป็นปกติอยู่และเมื่อมีความรู้ตัว ว่าตนเองมีจิตดังนี้เมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้ไม่ใส่ใจถึงอารมณ์ที่จะก่อให้บังเกิดกิเลสเพียงดังเนินขึ้นเช่นไม่ใส่ใจถึงสุภานิมิต เครื่องกำหนดหมายว่างดงามต่างๆอันยั่วใจให้เกิดราคะโทสะโมหะเมื่อเป็นดั่งจิงเป็นการปฏิบัติรักษาภาวะของจิตที่ไม่มีกิเลสเพ็งดำเนินนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นจึง คือว่าเป็นภูประเสริฐ ด, ดีหลังนี้โอวาทของท่านภาษาริบุตรนี้ย่อมใช้ได้สำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปและก็นับว่าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง เป็นกรรมฐานที่ควรจะปฏิบัติได้เป็นประจำเพราะว่าความอยู่ด้วยกันเป็นหมู่นั่นจะเป็นครือัดก็ตามเป็นบรรพจิตก็ตามย่อมจะต้อง ประสบกับความยิ่งว่างความหย่อนบ้างในเครื่องแวดล้อมทั้งหลายและทั้งจิตใจของทุกๆคนที่ยังละทิเลตไม่ได้ก็จะต้องมีอาสวะอนุสัย นอนจมหมักมมหรือดองจิตสังดารอยู่เมื่อได้ประสบกับอารมณ์หรือประสบกับเวทนาต่างๆที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกขบ้างเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างก็ย่อมจะนำให้เกิดความคิด ย่อมจะนำให้เกิดความปรารถนาย่อมจะนำให้เกิดความยินดีบ้างความยินไร่บ้างในอารมณ์ต่างๆที่ประจบนั่นและโดยเฉพาะย่อมจะมีความปรารถนา และความปรารถนานั้นเมื่อมีปัญหาชักนำมีราคะหรือโลภโทสะโมหะชักนำก็ยอมจะมีความปรารถนาไปในทางอากุศลต่างๆเช่นตรงการ ในลาบในยศในสนเสริมในสุขและเมื่อไปคิดเปรียกเทียบถึงบุคคลอื่นๆที่อยู่ใกล้กันก็ตามที่อยู่ห่างกันก็ตามที่มีความสัมผัสกันก็ตาม ไม่มีความสัมพันธ์กันก็ตามว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีเราไม่ดีเขาดีหรือเขาไม่ดีเราดีเราไม่เป็นตนตก็ขอให้บังเกิดความโลภบ้างความริษยาบ้าง ต่างๆเหล่านี้มาจากอิจฉาคือความปรารถนาท้งนั้นความอยากท้งนั้นขึ้นเป็นอกุศลซึ่งเป็นเนินขึ้นในจิตคำจิตที่เคยเป็นปกติสงบให้ไม่ปกติให้สงบ เหมือนอย่างแผ่นดินที่ท้าไม่มีเนินก็เป็นดินที่ราบเรียบแต่ที่มีเนินสูงต่ากระปุมกระปั่มไปก็ทำให้เป็นพื้นดินที่ไม่ราบไม่เรียบหรือเหมือนอย่างน้ำทะเลที่ไม่มีลมก็ไม่มีคลื่นเมื่อมีลมก็มีคลื่นขึ้นมาตามอำนาจของลมที่น้อยหรือมาก ลมน้อยก็คือนเล็กลมใหญ่ก็เคลือนมากนี่ล้วนจะเป็นเนินทางนั้นที่มันเกิดขึ้นในจิตรวงความก็คือจิตที่มีราคะหรือมีโลภะมีโทสะมีโมหะนั่นเองจึงเป็นจิตที่สงบไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไึ่ได้มีพระพุทธภาสิตกลับเอาไว้ว่า อิจฉาโลภสมาปัโนภูที่ถึงพร้อมในอิจฉาความปรารถนาโลภความโลภอยากได้สมโนกิงฑวิสติจักเป็นสมณะคือผู้สงบได้อย่างไรดังนี้เพราะฉะนั้นกรรมาฐานที่สำคัญก็คือต้องคอยตรวจตราดู ตนเองให้รู้จิตของตอนเองว่าจิตของตอนเองนั่นเป็นอย่างไรมีความปรารถนามันเป็นตัวกิเลสเพียนดงเนินหรือไม่หากพบว่าจิตมีความปรารถนาอย่างไรอย่างหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยความต้องการอย่างไรอย่างหนึ่ง จะเป็นทางโลภะคือความโลภอยากได้มาเพื่อตนเองก็ดีจะเป็นทางวิสยาตัดรอนความดีของผู้อื่นก็ดีหรือแม้เป็นในทางที่ทำจิตให้มีความยินดีจัดรุ่มหรือทำจิตให้หมุหงิดสดแค้นขัดเคือง จะทําให้ลุมหลงงูเมาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ให้รู้ว่าบัดนี้ตัวเองกําลังมีกิเลสเพียรดังเนินหรือมีจิตที่มีกิเลสเพียรดังเนินเราเป็นดังนี้ก็ให้ตั้งชัพระคือความพอใจตั้งความพยายามเรื่องความเพียรเพื่อละกิเลส เพียงดำเนินคือความคิดปรารถนาไปต่างๆดังกล่าวนี้เสียเมื่อเป็นหลังนี้แล้วก็จะเป็นการปฏิบัติทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ไม่ให้มีกิเลสเพียนดำเนินหากว่าจะทำการละไปก็จะไปดีหรือไม่ทำการละยังดำรงชีวิตอยู่ต่อไป ก็จะเป็นชีวิตที่ดีและจะเป็นสมณะคือครูสงบได้ทั้งบรญชิตทั้งคระดือหัดเมื่อมีจิตสงบได้แล้วกายวาจาก็สงบก็ได้ชื่อว่าผู้สงบเช่นเดียวกันไม่จะนั้นความที่มีสติคอยกําหนดพร้อมทั้งปัญญาคือความรอบรู้ ในจิตใจตลอดจนถึงในกายวาจาของตนเองนั้นอยู่เสมอจนเป็นความดีและสหักว่าพบว่าจิตใจของตนสงบดีไม่มีกิเลสเพียนดังเนิมคือไม่ได้คิดปรารถนาอะไรโดยอำนาจของโลภกะก็ตาม โดยอำนาจของความริษยากตามหรือด้วยราคะโทสะโมหะต่างๆกำลังมีจมิตสงบก็ชื่อว่าเป็นภูที่ไม่มีกิเลสเพียงดำเนินเพียงดำ เ, เนินเมื่อเป็นดังนี้ก็ปฏิบัติษาความเป็นภู ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินนีไว้โดยการที่ไม่ใส่ใจในสุภณิมิตเครื่องกำหนดหมายว่างามเป็นต้นคือไม่เอาอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะเข้ามาใส่ไว้ในใจไม่เอาใจเข้าไป ใส่ไว้ในอารมณ์อันเป็นจิ่ตังของราคะโทสะโมหะนมื่เป็นดังนี้แล้วก็จะระงับความปรารถนาคืออิจฉาความปรารถนาอันเป็นฝ่ายอากุศลได้และสามารถที่จเพ่าอิจฉาคือความปรารถนาอันเป็นฝ่ายอกุศลขึ้นในการที่จะ ปฏิบัตินีปฏิบัติชอบทางศีลทางสมาธิและทางปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นความที่เมื่อมีจิตสงบเรียบร้อยไม่มีกิเลสเพียนดังเนินและก็มาทำความรู้ตัว อยู่และรักษาภาวะของจิตดังกล่าวนี้ไว้เว้นจากการปฏิบัติกระําใส่ใจไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสอันจะนำกิเลสเ ข, ข้ามาสู่จิตใจแต่ปฏิบัติรักษาจิตของตนให้ เป็นไปในทางของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นฝ่ายสงบดังนี้แล้วก็วจะทำให้รักษาภาวะของจิตที่เรียบร้อยที่ดีนี้ไว้ได้นานไว้ได้มากและเมื่อทำเพิ่มพูนอยู่เสมอแล้วก็จะยิ่งทำได้ดีและได้มากทำให้เป็นภูที่ไม่มีกิเลสเพ่งดังเนินที่ได้ดังนี้ เพราะฉะนั้นคำสอนของท่านภาษาริบุตรที่สอนพิสูจน์ทั้งหลายดังนี้จึงเป็นการสอนกรรมฐานโดยตรงและเป็นกรรมฐานที่ควรกระทําอยู่ทุกเวลาควรกระทําอยู่เสมอและเป็นสิ่งที่กระทําได้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเทระท่านได้ฟังโอว่า ของท่านภาษาริบุตรท่านก็ได้เกิดปฏิพานขึ้นมาคือได้เกิดความคิดเข้าใจและก็ขอแสดงท่านภาษาริบุตรก็อนุญาตให้ท่านแสดงท่านจึงแสดงว่าวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาต ได้ไปพบกับปริพาชกผู้หนึ่งซึ่งเป็นบุตรของนายช่างทำยานพาหนะเช่นทำรถปริพาชกผู้นั้นกก็ได้เดินไปพบกับช่าง ทำรถกำลังสายไม้ตัดไม้ที่จะทำรงล้อปริพาชกซึ่งเคยเป็นบุตรของช่างทำยอดยานด้วยกันยืนดูอยู่ก็คิดขึ้นในใจว่า ควรจะต้องถาตรงนี้ควรจะต้องใสตรงนั้นควรจะต้องตัดตรงโ น, น้นไฟช่างซึ่งกำลังทำอยู่นั้นก็ใสก็ตัดเหมือนดังที่ปริภาชกที่เคยเป็นช่างคิดตรงกัน ปริพายโชคนั่นก็กล่าวขึ้นว่าช่างคนนี้ทำเหมือนอย่างรู้ใจของตัวเองใจของตัวเองคิดอย่างไรช่างก็ทำอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะเป็นช่างด้วยกันกว่ารู้ควรจะใสตรงไหนตัดตรงไหนเป็นต้น ทันใดก็ดีท่านก็สาดบุตรได้โอวาตแก่ภิกษุทั้งหลายครั้งนี้ก็เหมือนอย่างท่านรู้ภาวะของประชุมชนเป็นภาวะของภิกษุทั้งหลายหรือภาพของประชุมชนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ซึ่งจะต้องมี กิจขาคือความยากความปรารถนาต่างๆอันเป็นอกุศลเป็นอันมากเพราะฉะนั้นจึงสอนตรงกับเรื่องราวที่เป็นไปอันเป็นการอำนวยประโยชน์ในด้านที่จะทำให้ เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องหนังนี้